ด้วยความขยันด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมระวังและด้วยการข่มใจตนเองผู้มีปัญญาควรสร้างเกาะคือที่พึ่งแก่ตนที่ห่วงน้ำคือกีเลสไม่สามารถท่วมได้พุทธะ วัจะนะสิ่งหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมต้องการมากคืออยากจะได้มากที่สุดเลยก็คือความสงบนักปฏิบัติธรรมผู้ที่ทาภาวนา หรือผู้ที่ทำกรรมฐานพอเริ่มต้นปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่ต้องการเป็นสิ่งแรกก็คือความสงบอยากได้ความสงบอยากเข้าไปอยู่ในความสงบอยากมีความสุขไม่อยากให้จิตใจเนี่ยมันคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆไม่อยากมีความทุกข์ในการปฏิบัติไม่อยากให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติพวกกิเลส ต, ต่างๆเนี่ ไม่อยากพบไม่อยากเจออยากให้จิตใจมันสงบนิ่งสบายนี่คือความอยากการเจริญสติถ้าเราเริ่มต้นด้วยความอยากแล้วก็จิตใจจะไม่สงบจิตใจจะไม่มีโอกาสได้สงบได้เลยถ้าเรายังมีความอยากซ่อนอยู่ลึกๆเพราะความอยากนี่แหละทำให้จิตใจต้องฟุง้งซ่านคลุ้นคิด อึดอัดขัดเคืองดิ้นรนกังวนกระวายใจเพราะความอยากนี่แหละทางภาษาธรรมก็เรียกว่าตันหาเพราะฉะนั้นการจริตสติเนี่ยเราเพียงแต่และความอยากซะจิตก็จะสงบไปเองจิตสงบเพราะเราไม่อยากให้มันสงบไม่ต้องการความสงบแค่เราไม่ต้องการเทะนะ่านั้นจิตมันก็สงบแล้ว คือไม่ต้องการความสงบไม่ต้องการผลสร้างเหตุของการเจริญสติไปเรื่อยๆอันที่จริงเนี่ยการเจริญสติเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเอาแต่ความสงบอย่างเดียวนะความสงบเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตใจเท่านั้นเราไม่ได้มุ่งกับความสงบถึงแม้ว่าเราไม่ได้มุ่งกับความสงบถ้าว่าเราเข้าถึงตัวสติเนี่ยก็ย่อมมีความสงบเกิดขึ้นอยู่แล้วในตัวสติเนี่ย มีความสงบซ่อนอยู่เสมอๆหนักปฏิบัติธรรมไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ได้เราจริ่สติก็เพื่ออะไรก็เพื่อว่าให้เรารู้สึกให้จิตใจมันตื่นรู้รู้เหมืเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยความหลงก็จะไม่เกิดขึ้นรู้อะไรรู้กายรู้จิตตามที่เขาแสดงออกมาคือรู้ตามเป็นจริงของกายของจิตนั่นแหละแค่ตามรู้เฉย อันก่าเฉยเฉยนี่แหละคือความสงบอยู่ในตัวแต่สงบแบบรู้ตัวนะไม่สงบแบบหลงลืมตัวการเจริญสติเนี่ยถ้าเรามุ่งกับความสงบอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญาพราะจิตสงบปั๊บเราก็พอใจลนะเข้าไปอยู่ในความสงบนิ่งเงียบเข้าไปเป็นผู้สงบเลยเหมือนคนติดอยู่ในถ้ำจิตก็ไม่ได้พัฒนาละตอนนี้ ไม่ได้เกิดปัญญาตรงไหนเลยมีแต่ความสบายใจก็ดีอยู่นะเป็นการพักกิจพักใจแต่ไม่ควรติดอยู่ถ้าติดอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์อุปมาไม่ต่างกับว่าเราจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเดินทางด้วยเท้าปลักเดินทางไปเรื่อยๆยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยเราก็ไปเห็นร่มไม้เห็นดอกไม้เห็นบ่อ น, น้ำ สวยงามเราก็เลยเข้าไปพักแล้วก็ติดอยู่ในความสวยงามในความสุขอยู่ตรงนั้นนะเราก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางการเจริญสติก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตมันเกิดความสงบถ้าเราไปหลงติดอยู่แล้วก็เราจะไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความเป็นทุกข์ม่เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของกายและจิตเราก็ไม่เกิดปัญญาแล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้เพราะหลงติดอยู่ในความสงบแบบ น, นั้น ความสงบมีสองอย่างคือสงบแท้แล้วก็สงบเทียมสงบแท้คืออะไรคือจิตใจที่รู้เท่าทันกิเลสไม่ถูกกิเลสปรุงแต่งจิตอยู่เหนือกิเลสคือจิตหลุดพ้นไปเลยอันนี้เป็นการสงบจากกิเลสกิเลสปรุงแต่งไม่ได้อันนี้คือสงบแท้แล้วก็จะไม่กลับมาฟุ้งซ่านอีกต่อไป เพราะกิเลสไม่สามารถจะปรุงแต่งจิตใจได้จิตหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยสงบแท้อีกอันนึงก็คือสงบเทียมสงบเทียมนี่คือสงบชั่วคราวนะสงบจากอารมณ์ที่มาปรุงแต่งด้วยหน้าของสมาธิด้วยหน้าของสติก็ทำให้จิตใจสงบชั่วคราวได้สงบจากกิเลสชั่วคราวสงบจากอารมณ์แต่พอหมดกาลังสมาธิแลวกิเลสก็จะมาปรุงแต่งเหมือนเดิม สงบชั่วคราวเด็กก็กลับมาฟุงซ่านอีกที่เขาเรียกกันว่าหินทับหญ้าคือหญ้าที่เราปลูกไว้ถ้าเราเอาหินไปทับเอาไว้หญ้าก็ไม่เจริญงอกงามแต่หญ้าไม่ตายนะหญ้ายังอยู่แต่วันออกจะเหลืองๆสักหน่อยแต่ถ้ายกหินออกมาเรยแล้วก็หญ้าก็จะเคี้ยวเจริญเติบโตเหมือนเดิมจิตใจเรายก็เช่นเดียวกันจิตอาจจะสงบ ด้วยกำลังสมาธิแต่พอหมดกาลังสมาธิดจิจิจแลเราก็ฟุ้งซ่านมันเดิมอันนี้เป็นการสงบเทียมนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ต้องการความสงบก็เพราะว่าอยากจะมีความสุขจากการปฏิบัติอยากให้จิตใจสบายสบายอันนี้ถือว่าไม่ผิดนะทุกคนก็ปฏิบัติธรรมก็เพื่อความสุขไม่อยากจะมีความทุกข์ถ้าเราอยากได้รับความสงบได้รับความสุขจากการปฏิบัติแล้วก็ เราต้องรู้จักวางจิตวางใจวางจิตวางใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นว่าเราจะเจริญสตินี่แหละเราไม่ต้องไปหวังอะไรแล้วจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นไรสงบก็เอาไม่สงบก็ไม่เป็นไรวางจิตวางใจไว้เป็นกลางๆไว้ก่อนเจริญสติแบบสบายๆแบบง่ายๆรู้สึกตัวลงไปที่กายเคลื่อนไหวที่ใจมันคิดมันนึก รู้ที่กายรู้ที่จิตรู้ง่ายง่ายสบายสบายทำแบบผ่อนคลายรู้สึกตัวแบบผ่อนคลายไม่เครียดวางใจแบบสดชื่นเบาๆรู้แบบดูอยู่ห่างไม่ต้องการอะไรคือรู้เฉยเฉรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรยังไม่เกิดขึ้นยอย่าไปรู้รู้กายรู้จิตที่เขาแสดงออกมาการจริสตินี่ง่ายๆนะ แค่รู้เฉยเฉมันดูละครมันดูทีวีกายกับจิตก็คือทีวีก็คือละครที่เขาแสดงอาการออกมาเขาแสดงหลายอย่างนะกายกับจิตอย่างเช่นเรารู้กายเคลื่อนไหวโอ้กายนี่มันกําลังเคลื่อนกําลังไหวนะเนี่ยแค่รู้แค่นี้มันก็ง่ายมันก็สบายสบายพอรู้กายเป็นนา น, านเออนี่กายมันแสดงอะไรอาแปกแปล ก, แ, ปลกแสดงความทุกข์ออกมาแล้วโอ้มันปวดมันเมื่อยนะ มันร้อนมันหิวมันปวดหนกักปวดเบาเราก็รู้เฉยๆแต่แว่าเรื่องของกายเนี่ยเราต้องรู้จักเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกต้องกายเป็นทุกข์เราจึงช่วยแก้ไขแก้ไขให้เป็นปกติมันหิวก็ไปดื่มน้ำไปทานข้าวมันปวดมันเมื่อยก็มีสติปเปลี่ยนเอียบดนะง่ายๆรู้แล้วไปเกี่ยวข้องให้ถูกต้องด้วยสติบางทีมันเกิดความคิดขึ้นมา ไอ้ความคิดนี่กายมันไม่คิดนะไอ้ความคิดมันมาจากจิตเรารู้ว่ามันคิดรู้จิตว่ามันคิดรู้แค่คิดรู้เฉยๆเรื่ อ, องของจิตเนี่ยไมต้องไปเปลี่ยนแปลงแค่รู้เฉยๆเขาแสดงความคิดเป็นความสุขความทุกข์พอใจไม่พอใจเราไม่ต้องแก้ไขแค่รู้เฉยๆจิตก็เป็นปกติเดี๋ยวความคิดก็ดับไปเมื่อจิตมันสงบ อ๋เราก็รู้ว่ามันสงบนะโอ้จิตมันสงบจิตปรุงแต่งฟุง้งซ่านเราก็ไม่ว่าอะไรก็รู้ว่ามันฟุง้งซ่านสบายเลยง่ายๆสบายเลยรู้เฉยๆอ๋อนี่มันสงบโอ้นี่มันฟุง้งซ่านแค่รู้เฉยๆทอนนั้นจิตมันก็เป็นปกติเรารู้อะไรก็ตามจิตก็จะหลุดพ้นออกมาจากสิ่งนั้นจิตที่รู้อารมณ์อะไรก็ตามทุกครั้งที่รู้เนี่ย จิตมันก็หลุดอยู่แล้วในตัวนะรู้กายจิตก็ออกมาจากกายละไม่เข้าไปติดอยู่รู้ความทุกข์จิตก็ไม่ได้เป็นทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวนั้นรู้ความคิดจิตก็ไม่ได้เป็นผู้คิดเป็นผู้ดูในความคิดไม่เข้าไปเป็นผู้คิดจิตสงบหรือไม่สงบเนี่ยถ้าเราแค่รู้เฉยๆเราก็หลุดออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นหลุดออกมาจากความปุ้งซ่านหลุดออกมาจากความสงบเป็นเพียงแค่ผู้ดู อาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ละครที่แสดงให้จิตรู้จิต ด, ดูเท่านั้นนะเราลองดูละครแบบไม่ต้องเข้าไปเล่นด้วยสิแค่ดูแค่รู้เฉยๆจิตก็เป็นอิสระอย่างน้อยก็อิสระจากความหลงแล้วแค่รู้ก็หลุดออกมาจากความหลงแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่แค่นี้คือไม่รู้ก็หลงแต่ถ้าเราหลงจิตก็ไม่รู้สึกตัวลนะ้เกิดขึ้นไม่ได้ความรู้สึกตัว แต่เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาความหลงก็เกิดขึ้นไม่ได้เห็นไหมวันวันหนึ่งเราดูซิว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่กับความรู้หรือความหลงอยู่กับความรู้สึกตัวหรือความหลงลืมตัวเราสามารถที่จะประเมินผลดูได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยถ้าเราจะทำแบบง่ายๆแบบสบายสบายแบบมีความสุขแล้วก็ให้มีสติรู้กายรู้จิตรู้เฉยเฉแบบไม่ต้องการอะไร ไม่มีตัวเราในผู้รู้นั้นไม่มีกิเลสแอบแฝงแค่รู้เฉยๆจิตก็จะเป็นจิตที่สงบแท้จริง